มัทวาคนที่หวังความก้าวหน้าและหวังจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนหรือเป็นคนของเจ้าของนายก็ตามจะต้องมีลักษณะดีอยู่หลายอย่างถ้าขาดลักษณะแล้วเป็นไม่ได้มัทวะเป็นลักษณะอย่างหนึ่งในบรรดาลักษณะเหล่านั้นมัทวะแปลตรงตัวว่าความอ่อนโยนตรงกันข้ามกับความแข็งกระด้างความจริง คนเราก็มีอ่อนมีแข็งด้วยกันทุกคนต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่าใครจะเก็บไว้ที่ไหนเท่านั้นบางคนเอาอ่อนไว้ข้างในเอาแข็งไว้ข้างนอกบางคนเอาอ่อนไว้ข้างนอกเอาแข็งไว้ข้างในพูดอีกทีหนึ่งคือบางพวกอ่อนนอกแข็งในบางพวกอ่อนในแข็งนอกต้นไม้ก็มีสองประเภทเหมือนกันคือประเภทอ่อนนอกแข็งใน กับประเภทอ่อนในแข็งนอกประเภทอ่อนนอกแข็งในเช่นต้นสักเตะเคียนเต็งรังมะขามประดูและอื่นๆอีกมากต้นไม้พวกนี้มีเปลือกอ่อนหุ้มลำต้นอยู่ข้างนอกเอาเล็บหยิกก็เข้าถัดจากกระพีเข้าไปเป็นกระพีแข็งกว่าเปลือกหน่อยถัดจากกระพีเข้าไปจึงจะถึงแก่นแข็งนักประเภทนี้เรียกว่าอ่อนนอกแข็งใน อีกประเภทหนึ่งมีต้นตาล ต, ต้นมะพร้าวต้นหมากต้นไผ่และต้นอื่นๆในลักษณะคล้ายกันพวกนี้แก่นหุ้มลาต้นอยู่ข้างนอกแต่สับเข้าไปดูข้างในสิยุ่ยไปหมดบางต้นข้างในมีแต่โพรงอากาศจึงจัดเป็นประเภทอ่อนในแข็งนอกตรงกันข้ามกับประเภทแรกสัตว์เดรัจฉานก็มีสองพวกเหมือนกันกับต้นไม้คือพวกอ่อนนอกแข็งใน กับพวกอ่อนในแข็งนอกพวกแข็งในอ่อนนอกเช่นช้างสิงโตเสือหมีหวัวควายม้าและอื่นๆ อ, อ, อีกมากนึกเอาเองสัตว์พวกนี้ตัวนิ่มเพราะเอาหนังเนื้อไว้ข้างนอกเอากระดูกไว้ข้างในส่วนอีกพวกหนึ่งแข็งนอกอ่อนในเช่นเต่าปูกุ้งหอยตลอดไปถึงตัวหนอนตัวแมลงบางอย่างสัตว์จาพวกนี้ เอากระดูหุ้มนอกตัวของมันเอาเนื้อไว้ข้างในรวมอยู่กับตับไตไส้พุงของมันรวมความว่าต้นไม้ก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมีอย่างละสองประเภทเหมือนกันคือประเภทแข็งในอ่อนนอกกับประเภทอ่อนนอกแข็งในคราวนี้เราลองเอามาประกวดกันดูสิสองประเภทนี้ทว่าทางความใหญ่โตปริมาณราคาเก่งกล้า และดีเด็ดแล้วไหนจะดีกว่ากันเอาต้นไม้ก่อนประเภทอ่อนนอกแข็งในจเจริญเติบโตได้มากลำต้นใหญ่ทนทานใช้ปลูกบ้านได้กิ่งก้านก็แผลพิษสารมากอาศัยร่มเงาได้ดีส่วนไม้ประเภทแข็งนอกอ่อนในว่าถึงความเจริญเติบโตของลำต้นที่โตที่สุดเห็นจะเป็นต้นตาลโตกว่านั้นยังไม่เคยเห็นรองลงมาก็มีต้นมะพร้าวต้นหมาก ต้นไม้ประเภทนี้มักจะสูงชลูดไม่มีกิ่งจึงให้คนพึ่งร่มเงาไม่ได้ถ้าจะพูดถึงแง่การใช้งานก็ใช้ได้น้อยส่วนที่แข็งเอาออกมาอวดโลกอยู่ข้างนอกนั้นก็มีอยู่แค่นั้นเองใช้งานเข้าจริงประเดี๋ยวก็ผุถ้าพูดถึงราคาซื้อขายไม้จำพวกอ่อนนอกแข็งในขายได้ราคาดีต่างประเทศก็สั่งซื้อปีหนึ่งเป็นเงินหลายล้านบาทส่วนจำพวกแข็งนอก เช่นไม้ตานไม้มะพร้าวยังไม่เคยเห็นประเทศไหนสั่งซื้อและยังไม่มีวี่แววว่ารัฐบาลจะส่งไปขายประเทศไหนได้เท่านี้เราก็ตัดสินได้แล้วว่าประเภทแข่งนอกแพ้หลุดลุ่ยทุกประตูสมมติว่าถ้าท่านผู้อ่านกำลังจะปลูกบ้านและมีคนให้ไม้เราเปล่าๆ เ, เป็นไม้สักกองหนึ่งอีกองหนึ่งเป็นไม้ไผ่โปรดตัดสินใจเอาเองว่า ท่านควรจะเลือกเอามา้ชนิดไหนคราวนี้ว่าถึงสัตว์หลับตานึกวาดภาพที่ต่างว่าเราเรียกสัตว์พวกนี้มาเข้าแถวหน้ากระดานเหมือนแถวทหารเตรียมรับการตรวจพลสองแถวคือเป็นพวกอ่อนนอกแข็งในแถวหนึ่งอีกแถวหนึ่งเป็นพวกอ่อนในแข็งนอกพ้นจะปรากฏว่าแถวของพวกอ่อนนอกแข็งในประกอบด้วย ช้างเสือสิงโตวัวกระทิงหมีและอื่นๆเป็นแถวยาวสุดสายตาส่วนแถวของพวกอ่อนในแข็งนอกก็จะประกอบด้วยเต่าปูกุ้งหอยเท่าที่นึกได้เดี๋ยวนี้ดูจะมีไม่ถึง20อย่างและแม้จะขอนกักตีวิทยามาช่วยระดมผู้แทนเจ้าสัตว์เล็กน้อยมาประชุมกันด้วยก็เห็นจะได้ไม่เท่าไหร่ เพียงแต่จำนวนชนิดก็แพ้่ฝ่ายอ่อนนอกเสียแล้วถ้าว่าถึงความเจริญเติบโตยิ่งแล้วเลยพวกอ่อนนอกมีความเจริญเติบโตได้อย่างมากทีเดียวอย่างช้างมา้าวัวควายอะไรพวกนี้แต่เจ้าพวกแข็งนอกโตที่สุดก็เห็นจะเป็นแค่เต่าเลยนั้นยังมองไม่เห็นแพ้่อีกหนึ่งประตูแล้วยิ่งถ้าพูดถึงความเก่งกล้ากันแล้วพวกแข็งนอกเก่งไม่เท่าไรเต่าก็แค่กัด ปูก็แค่หนีบส่วนพวกอ่อนนอกระวังอย่าไปล้อเล่นอย่างช้างเราโดนมันกระทืบทีเดียวก็แบนอย่างเข้าเกลียบเมืองเพชรแล้วหรือโดนเสือขํามทีเดียวหัวหลุดจากบ่าเลยมองถึงราคาค่า ง, งวดยิ่งหนักเข้าไปอีกเรามีวัวอยู่ตัวหนึ่งใครจะเอาเต่าสักสิบตัวมาขอแลกเราก็ไม่ยอมข้อแพ้ข้อชนะสุดท้ายของสัตว์2ประเภทนี้ก็คือความเดียงสา หรือแววปัญญาสัตว์ที่มีเดียงสาหรือแววปัญญาฝึกได้สอนได้ทุกชนิดเป็นสัตว์ประเภทอ่อนทั้งนั้นบางอย่างถึงกับเก่งกล้าสามารถทั้งฉลาดพอตัวได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาก็มากฝ่ายสัตว์จำพวกกระดูกนอกตัวทุกอย่างเป็นตัวไร้เดียงสาทั้งสิน้นและไม่มีแววปัญญาเลยแม้แต่น้อยเช่นเต่าปูหอยกุ้ง ฝึกอะไรไม่ขึ้นแล้วก็ทําความดีไม่ได้แย่จริงๆได้อย่างเดียวคือขึ้นเต่าไฟแม้เต่าที่เคยวิ่งชนะกระต่ายในหนังสืออ่านของเด็กๆก็ไปโดนเข้าคู่กับกระต่ายอตโซไม่เช่นนั้นอย่าหวังรวมความว่าทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์จะพวกอ่อนนอกแข็งในชนะพวกอ่อนในแข็งนอกโดยเด็ดขาดปราศจากเงื่อนไขทั้งทางความเจริญเติบโต ความเก่งกล้าสามารถวีรกรรมคุณประโยชน์และสติปัญญาเท่านี้ก็เห็นจะพอไหนไหนพวกแข็งนอกก็แพ้หลุดลุ่ยอยู่ทุกประตูแล้วพูดมากก็มากความจะเป็นการซ้ำเตินผู้แพ้เสียมารยาเปล่าเปล่านะครับพระเจ้าตัดสินให้พวกอ่อนนอกชนะนี้ก็ตัดสินโดยเหตุผลอันยุติธรรมแท้ๆไม่ได้มีฝ่ายไหนมาวิ่งเต้นให้ช่วยเหลือเป็นพิเศษ และการแพ้การชนะก็เห็นชัดชัดไม่ใช่ได้เปรียบเพียงเส้นยาแดงเดียวแล้วก็ตัดสินให้ชนะวกมาเข้าเรื่องของคนเสียทีคนเราก็มีสองพวกอีกเหมือนกันพวกหนึ่งแข็งนอกอ่อนในอีกพวกหนึ่งแข็งในอ่อนนอกตําราเดียวกับต้นไม้คนพวกแข็งนอกคือเอาความแข็งออกมาวางไว้ที่สีหน้าท่าทางชอบวางโตทําท่าเขื่องตีหน้าตึง ตระหนี่ยิ้มเวลาพูดกับใครก็ชอบตะวาดคำพูดสั้นๆกระชากกระชากคนฟังจะเข้าใจและสบายใจหรือไม่ก็ช่างแสดงว่าตัวเองเป็นคนใหญ่โตการงานมากเหลือเกินไม่ค่อยมีเวลาพูดกับพวกมนุษย์เวลาขึ้นรถเมล์ก็ทำตัวตรงๆคอตั้งๆเวลาเด็กกระเป๋าเก็บสตางค์ก็ทำเสียงคำรามในคอให้เด็กตกใจกลัวบางคนก็ตบกระเป๋าให้ดู แล้วจะเดินไปไหนไปไหนก็ด่วนมากไม่มีการขอโทษขอทางใครสดแสดงว่าไม่ค่อยมีเวลาจะมัวชักช้าจริงๆแต่ถ้าตามดูให้ถึงบ้านพวกแข็งนอกนี้จะหาที่ใหญ่จริงๆดูขัดสนเต็มทีโตได้ก็เพียงตามตรอกตามซอกโตนอกระเบียบวาระถ้าสังเกตในประวัติศาสตร์หรือประวัติคนสำคัญคญรวมกับที่เราพอจะนึกตัวออกในขณะนี้ คนแข็งนอกอย่างดีก็เป็นทหารเอกหรือเป็นลูกสมุนเขาที่เป็นหัวหน้าคนจริงๆหายากในบรรดาคนที่ข้าพเจ้ารู้จักซึ่งมีตัวอยู่ทุกวันนี้ท่านที่เป็นบุคคลชั้นนำของคณะเช่นเป็นแม่ทัพนายกองหรือหัวหน้าส่วนราชการชั้นสูงแต่ท่านไม่ปรากฏว่าได้เอาความแข็งกระด้างออกมาอวดโลกเลยแม้ในวงพวกนักเลงอัฐพาลซึ่งโลกตำหนิว่า แข็งกระด้างขาดเมตตาการุณาแต่ถ้าเราสังเกตดูให้ดีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเขาจะเป็นคนที่อ่อนโยนละมุนละไมยอย่างผิดคาดพวกลูกสมุนซ้ายขวาและคนรองๆลงไปเท่านั้นที่สวมเสื้อกรอคือเอาความแข็งออกไว้ข้างนอกตลอดเวลาโดยกฎธรรมดาไม่ว่าสิ่งไรถ้าเอาสิ่งที่แข็งมาหุ้มไว้ข้างนอกเสร็จแล้วมันก็ขยายตัวออกอีกไม่ได้ ย้อไปดูต้นมากต้นมะพร้าวแม้จะได้ปุ๋ยดีเท่าไหร่เท่าไร่ก็โตขึ้นไม่ได้ถึงไหนหรือในจําพวกสัตว์ที่แข็งนอกเช่นเต่าหรือหอยมันเอากระดูกออกมาหุ้มตัวเสียแล้วมันก็โตขึ้นไม่ได้คนเราก็เหมือนกันใครเอาความแข็งมาหุ้มตัวเสียแล้วโตยากและเพราะที่โตไม่ได้นั่นแหละจึงต้องแสดงให้ผู้อื่นเห็นว่าโตเหมือนอย่างหานเห็นไหมใครเดินผ่านมันก็ตะโกนลั่นว่า ฉันเป็นหา่าดเป็นหา่าเพราะมันไม่มีอะไรแสดงกับเขาว่าตัวเก่งบินก็ไม่ได้ว่ายน้ำก็ไม่คล่องวิ่งก็ไม่เก่งก็เลยหันมาเก่งทางตะโกนให้หนูหูชาวบ้านพอเห็นคนเดินหลีกก็ยิ่งได้ใจเนื่อว่าตัวเก่งร่ำไปหันไปมองดูบุคคลอีกประเภทหนึ่งบ้างคือประเภทอ่อนนอกแข็งในคนประเภทนี้เก็บความเข้มแข็งไว้เสียข้างใน ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่เสมอในตามีแววกรุณาเป็นเสน่ห์ยิ้มก่อนพูดและเวลาพูดก็หลังแต่คำสุภาพน่ารักออกมาใครได้ฟังแล้วก็เย็นหูชื่นใจทางในใจเต็มไปด้วยความเป็นห่วงมนุษย์ใครได้เข้าไปคบหาก็เย็นสบายเหมือนเป็นนั่งริมธารน้ำตกคนฉลาดพากันเคารพยำเกรงคนสุภาพอ่อนโยนมากกว่าคนแข่งกระด้าง และเมื่อเห็นคนที่แสดงกิริยากระด้างวางโตก็นึกถ่ายได้เลยว่าผู้นั้นเป็นคนฐานะต่ำเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าคนนายคนมีผู้เคารพยำเกรงมากๆหรือขั้นที่สุดอยากจะให้คนอื่นเห็นว่าเป็นใหญ่เราจะต้องเอาเนื้อเอาหนังคือความอ่อนโยนออกไว้ข้างนอกเอากระดูกคือความแข็งไว้เสียข้างในจาไว้ให้ดีว่า คนเรายิ่งกระดูกมันออกมาใกล้หนังเท่าไรก็แสดงว่าจวนใกล้จะกลายเป็นผีเข้าไปทุกทีและใครมีกระดูกออกมาอยู่นอกหนังจริงๆก็แน่แล้วผู้นั้นคือผีคนเราใครจะใหญ่โตเท่าไรเท่าไรก็ไม่มีใครว่าถ้าโตเป็นก็มีคนบูชาที่ว่าโตเป็นนั้นคือมันค่อยๆโตโตพร้อมน้ำพร้อมเนื้อ เหมือนอย่างมะพรา้าวมันค่อยๆโตขึ้นโต ว, วันละนิดละหน่อยเกือบสังเกตไม่ได้แต่ไปๆพอมันโตเต็มที่แล้วน้ามันก็มากขึ้นเนื้อก็หนาขึ้นจนกระทั่งเปลือกก็รักษากะลาได้ดีขึ้นใครจะจับโยนไปโยนมาก็ไม่แตกตรงกันข้ามลูกโป่งอัดลมเป่าเซ็รวดเดียวก็โตเท่าโอง่งเท่าไหา่บางอย่างแถมลอยเลี้ยวขึ้นบนอากาศด้วย แต่ไปไม่ได้เท่าไหร่ประเดี่ยวก็แตกแล้วที่ลอยได้ประเดี่ยวก็ตกดินนั่นเพราะมันพองลมโตเร็วเกินไปคนวางโตสมัยนี้เขาเรียกว่าเบ่งคือตัวไม่โตจริงแต่เบ่งขึ้นให้คนอื่นเขาเห็นว่าโตพูดมาถึงตรงนี้ขอแวะสักนิดเถ อ, ขอะข้าพเจ้าเคยคิดมานานแล้วคําว่าเบ่งที่คนสมัยนี้ชอบพูดกันนั้นตรงกับคําบาลีว่ากไกล และพุทธโอว่าตรัสไว้อย่างไรคิดๆก็ได้ความจากบทกลับของคำถามมงคลสูตรที่พระสวดมนต์เวลาเราทำบุญคือคำว่าคาระโวจะนิวาโตจะคำว่านิวาโตในบทนี้แปลกันว่าความอ่อนน้อมหรือถ่อมตัวที่แปลอย่างนี้จะเรียกว่าแปลเอาความคือมุ่งเห็นรู้ความหมายแต่ถ้าแปลแยกสับแปลนิวาโต นิแปลว่าออกวาโตแปลว่าลมถ้าต่อกันว่านิวาโตก็แปลว่าคนผู้มีลมออกทีนี้ลองนึกบทกลับดูคนที่เอาลมเข้าท้องมากๆอาจเข้าไปเข้าไปภาษาไทยเราเรียกว่าเบ่งใช่ไหมที่ทำอย่างนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็ว่าวาโตแปลว่าผู้มีลมถือเอาความว่าเบ่งนั่นเอง เท่านี้ก็ได้ความวาโตแปลว่าเบ่งนิวาโตแปลว่าไม่เบ่งเพราะฉะนั้นค่าถามงคลสูตรบทนี้ถ้าจะแปลอย่างคนสมัยนี้ก็ต้องแปลว่าความครบรบหนึ่งความไม่เบ่งหนึ่งเป็นอุดมมงคลแต่แปลอย่างนี้พระอาจารย์ฝ่ายบาลีจะให้คะแนนหรือไม่ข้าพเจ้าไม่รับรองเล็งความทางพระพุทธโอวาทพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าความไม่เบ่งนิวาโต คือเป็นเครื่องทําให้คนเจริญและเมื่อทรงสรรเสริญพวกนิวาโตก็เป็นอันทรงตำหนิพวกวาโตนักเบ่งว่าเป็นอัปมงคลเป็นคนเสนียดจันไรเข้าไหนยุ่งนั่นความจริงความดีของคนเราก็มีอยู่หลายร้อยหลายพันอยา่างแต่พระองค์ทรงเฟนยกขึ้นแสดงความดีขั้นสูงจริงๆสามสิอย่างการไม่เบ่งก็ได้รับเลือกมารวมอยู่ในจานวนนี้ด้วย เรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่คนไม่เบงจึงว่าเป็นคนชั้นสูงรวมอยู่ในจำพวกอุดมมนุษย์ของโลก38พวกเรื่องมัธวะทำไมจึงถลายมาเรื่องเบงละ่ะก็เพราะเรื่องมันเข้าพวกเดียวกันการเบงคือเอาของความแข็งไว้ข้างนอกซึ่งตรงกันข้ามกับมัธวะนั่นเองว่าถึงผลได้ผลเสียมนุษย์วาโตคือคนแข็งนอก คมคู่คนอื่นเป็นคนเจ้าทุกข์จิตใจเดือดพล่านอยู่เสมอลองสังเกตตัวเองดูก็รู้ขณะที่เราแสดงริดเบ่งให้คนอื่นกลัวไม่ว่าจะเบ่งกับลูกเมียหรือเบ่งกับคนใช้ก็ตามชั้นที่สุดแม้แต่จะเบ่งกับเจ๊กขายกว๋วยเตี๋ยวธาตุไฟในตัวของเราจะคุแรงผิดปกติทำให้ใบหน้าร้อนคอแห้งโลหิตถูกเผาไหม้มากเมื่อฉีดไปเลี้ยงสวนใบหน้า ทำให้ตาคล้ำหมดเสน่ผิวกายค่อยๆหยาบกร้านไม่มีน้ำมีนวลในตาทลนมีประกายหน้าเกลียดขณะนั้นหัวใจตึงแรงถี่เกินไปทำให้เสียกำลังเบ่กนานๆนนจะเหนื่อยมากบางทีคนเฒ่าคนแก่เบ่งดีไม่ดีเลยเป็นลมนิ่งไปเฉยๆถึงคนหนุ่มๆก็เถอะเบ่งค้างนานๆ น, น, น้ำย่อยอาจจะวิปริตท้องไส้พลอยเสียไปด้วย ส่วนพวกคนสุภาพเรียบร้อยซึ่งเรียกชื่อตามในทศพิธราชธรรมว่ามัทวะเรียกตามในมงคลสูตรว่านิวาโตหรือเรียกตามเรื่องข้าพเจ้าว่าคนอ่อนนอกแข็งในเป็นคนที่ได้เปรียบทุกประตูทั้งทางการคบมิตรทางการปกครองทางสร้างความก้าวหน้าและแม้ในทางความสุขส่วนตัวสเสน่ห์กับอำนาจ เป็นการยากที่ใครๆจะเอามารวมไว้ในตัวคนคนเดียวกันเว้นแต่คนที่มีมัธวะเท่านั้นที่สามารถครองทั้งเสน่ห์ทั้งอำนาจไว้ได้โดยเด็ดขาด